วันๆเจอแต่เรื่องหน้าหดหู่ทำให้ไม่อยากเป็นมิตรกับผู้คนแม้เมื่อไปทำบุญที่วัดหวังจะเจอเรื่องสงบเย็นบ้างก็ไปพบกับเรื่องนินทาว่าร้ายแบ่งกกแบ่งเหล่าและจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนเราจะรักษาใจให้เป็นบุญได้ตามหลักของพุทธศาสนาตอบแต่และ ว, วันมีเรื่องที่เข้ามากระทบใจหรือเข้าหูเข้าตาให้รับรู้มากมาย แน่นอนครับว่าต้องก่อปฏิกิริยาทางใจในทางใดทางหนึ่งไม่พลชอบชังรักเกลียดนิยมหมั่นไส้และอื่นๆพูดง่ายๆคือถูกใจเราก็อารมณ์เป็นบวกผิดใจเราก็อารมณ์เป็นลบเรื่องของเรื่องคือถ้าเราจะตัดสินใจไหลไปตามกระแสโอกาสที่เป็นไปได้มากคือคุณจะมีอารมณ์เป็นลบมากกว่าบวก เพราะโลกนี้มีแต่เรื่องร้ายๆมากระทบยิ่งกว่าเรื่องดีๆโอกาสเจอเรื่องดีนั้นยากโอกาสพบเรื่องร้ายนั้นง่ายพุทธศาสนาชี้ให้เราเห็นความจริงนั่นคือยิ่งจิตของคุณมืดด้วยการสั่งสมอารมณ์ลบมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสได้ไปอบายก็มีสูงขึ้นเท่านั้นธรรมชาติจะไม่ฟังข้ออ้างว่าคุณขาดกำลังใจ วันๆเจอแต่เศษขยะและกลิ่นน้ำคลัมเน่าเหม็นยิ้มไม่ออกสดชื่นไม่ไหวถึงเวลาธรรมชาติก็แค่ตัดสินว่าคุณมืดมากกว่าสว่างหรือสว่างมากกว่ามืดเท่านั้นจริงๆที่ธรรมชาติทำเมื่อมีพุทธศาสนาแล้วมีการชี้ให้เห็นความจริงแล้วที่เหลือก็คือการตัดสินใจเลือกว่าจะทำตัวมืดหรือสว่างข้อธรรมสำคัญทางพุทธศาสนา หาใช่การบอกว่าอยู่ในโลกนี้ง่ายดายตรงข้ามยิ่งจะดีเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องไหว้ทวนสวนกระแสยิ่งขึ้นเท่านั้นสรุปคือถ้าจะเป็นพุทธแท้คุณต้องเก่งกว่าคนทั่วไปนะครับแม้ตกอยู่ในโลกของการรบกวนคุณก็สงบจิตไว้ไม่รบกวนใครต่อและแม้ถูกขังให้อยู่ร่วมกับเหล่าอันธพาลจอมเบียดเบียนคุณก็ต้องใจเย็น ไม่เห็นเป็นเรื่องบังคับให้เบียดเบียนตอบการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครก่อนและการเป็นผู้ไม่มีเวรด้วยการพยาบาทอาฆาตใครนั่นแหละนับได้ว่าเป็นชาวพุทธนับได้ว่ามีสิทธิ์พ้นทุกข์พ้นร้อนจากวงจรอุบาทวงจรภยัยเวรแห่งการเบียดเบียนกันโดยแท้ข้อทรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกับมนุษย์และสัตว์นั้นได้แก่พรหมวิหารสี่ ซึ่งสนับสนุนให้จิตมีความสว่างสวัยในทุกสถานการณ์พรหมวิหารสี่ได้แก่ 1. เมตตาคือปรารถนาการไม่เบียดเบียนและการให้ผู้อื่นสุกกายสุกใจถ้าใจเป็นสุกแล้วอยากให้คนอื่นสุกตามนั่นแหละเมตตาถ้าโกรธใครแล้วเห็นจิตตนเองเห็นโทษอันร้อนแรงของความโกรธในตนเองก่อนเห็นหน้าเขา แล้วเลือกที่จะเอาความเย็นสามารถปล่อยคำพูดกับการกระทําเย็นๆออกไปได้นั่นแหละสุดยอดของเมตตา 2. กรุณาคือเต็มใจช่วยหากไม่เหลือบากว่าแรงถ้าอยู่รอดปลอดภัยสบายตัวแล้วนึกอยากสงเคราะห์ผู้ดอยโอกาสนั่นแหละกรุณา ถ้าเห็นใครลำบากกระเสือกกระสนแล้วราธถนาจะทุ่มกายทุ่มใจเข้าไปช่วยกับมือไม่นิ่งดูได้กับเสียงร้องขอความช่วยเหลือแม้ต้องกลายเป็นผู้ลำบากเสียเองนั่นแหละสุดยอดของการุณา 3. มุทิตาคือยินดีในความสำเร็จอันเป็นกุศลของผู้อื่น ถ้าเห็นใครทำบุญทำกุศลสำเร็จแล้วชื่นบานยินดีราวกับได้ทำเองนั่นแหละมุทิตาถ้าเห็นใครได้มรรคได้ผลหรือพ้นทุก์พ้นร้อนแน่นอนและเกิดความป่าบปลื้มโสมนัตราวกับตนบรรลุมรรคผลหรือพ้นทุกพ้นร้อนเสียเองนั่นแหละสุดยอดของมุทิตาสี่อุเบกขา คือวางเฉยเสได้กับผลกรรมของแต่ละคนถ้าเห็นตามจริงว่าใครคิดใครพูดใครทำอย่างไรก็เป็นคนอย่างนั้นหรือได้รับผลอันสมควรกับการเป็นคนอย่างนั้นแล้วเขาสร้างที่พึ่งและเครื่องลงทันให้ตนเองไม่มีผู้อื่นช่วยได้เห็นอย่างนั้นแหละอุเบกขาและถ้าเห็นตามจริงด้วยทิพพจักขุอันล่วงประสาตาของมนุษย์รู้แจ้งเห็นจริงตลอดสายว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าคิดดีพูดดีทำดีย่อมไปสู่สุขติหลังตายส่วนถ้าคิดร้ายพูดร้ายทําร้ายย่อมไปสู่ทุกคติหลังตายหาใครช่วยอุ้มช่วยพยุงไม่ได้นั่นแหละสุดยอดของอุเบกขาหากคุณตัดสินใจยึดหลักพรหมวิหารสี่ดังกล่าวแล้วนี้จะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยครับสาหรับการเอาตัวให้รอดจากทุคติ จิตของคุณจะมีที่อยู่อันสุขสงบคือมีวิหารเยี่ยงพระพรมผู้ปราศจากภัยเวรแต่หากไม่ลงใจยึดหลักพรมวิหารสี่คุณก็จะมีข้ออ้างร่ำไปกับการร้ายตอบโลกเมื่อถูกโลกทำร้ายที่อยู่ของจิตคุณถ้าไม่ใช่นรกก็ใกล้นรกนั่นเองคุณโอดครวนกับมนุษย์ด้วยกันเช่นผมนี้ได้แต่พ้นจากมนุษย์ด้วยกัน สิ่งที่เหลือคือธรรมชาติทางใจของตัวเองที่คุณจะไม่มีสิทธิ์หือไม่มีสิทธิ์ต่อต้านหรือโอดครวนขอความเห็นใจใดๆทั้งสิ้นเลยครับ ลม